อ่า ก, กันดูดีๆนาะพระเราที่เราความอยากกับความหิวหรือความปกติกับประมาณในการครบฉันหองตัวเราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งกับประมาณในการขบฉันห้องตัวเราเองต้งแต่ตื่นขึ้นเราต้องพยายามฝึกผลตนเองการเจริญสติการวิเคราะห์การพิจารณาต้งแต่ตื่น เวลายิ่งเวลาคบเวลาชันยิ่งบทใหม่ใหม่กายก็หิว <c oughs> ใจจะปรุงแต่งความอยากได้เร็วได้ไวเราก็พยายามหยุดพยายามดับพยายามควบคบุมแล้วก็รู้จกักกะประมาณพิจารณาปฏิสังขาโยกกะประมาณในการครบชันของตัวเราปึกไปที่ละเล็กฝึกไปที่ระน้อยไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยไม่ใช่ว่าจะไปฝึก เ, เฉพาะเวลาตั้งใจเพียงแค่เรื่องตั้งใจนั้นก็ มันก็ผิดพลาดแล้วในหลักธรรมท่านให้ตั้งสติสร้างความรู้ตัวเข้าไปพิจารณาใจของเรา <c oughs> ให้ต่อเนื่องวันนี้อากาศก็รู้สึกว่าจะเย็นสบายเมื่อวานนี้พูนฝาก็ตกตอนค่ำพากันสร้างบา ร, รมีกันเทปูนกันยันค่ำทุ่มเทพื้นฐานสารลาลงฐานกัน ใจเอาใจสู้วางรักฐานสลาบุญวางบิหารสลาโรงฐานพ่ากันช่วยกันเทขานเสร็จเลยตั้งยาดโยมทั้งพระทั้งชีทั้งปลูกต้นไม้ต้นปลีอใหญ่รวมห้าสิบต้นป่ากันสนุกอย่างบุญอย่างกุศลให้เกิดประโยชน์ ต่ไปในวันข้างหน้าใครเข้ามาในป่านี่ก็จะเป็นป่าที่หอมป่าไม้สาละป่าไม้ปีบไม้กันเกล้าไม้ชมพนาทไม้กละลปปะพึ่งส่วนส่วนทางส่วนเอ่ยมาดีวันนี่ก็เต็มไปด้วยดอกไม้หอมเนวานี่ก็ได้บวชหนัอทั้งมโหอรีตีก่องอืทั้งสู่ขวัญ น, นาท ทุกคนก็ได้มีความอิ่มกันทั้งมีผู้ใจบุญอีกเอารถเบนมาถวายอีกรถ <c oughs> เบนใหญ่สวยงามมาถวายให้อีกคันหนึ่งก็เลยยกให้หลวงพ่อประชาไปใช้ชเลยขันเบรเร์่มมีผู้ใจบุญเอามาถวายให้ <c oughs> นั่นแหละอานิสงส์งแห่งบุญมีตั้งแต่คนอยากจะให้ ไม่ว่าจะทำอะไรมาร่วมกันมาช่วยกันฝากเอาไว้ <c oughs> วันที่24ก็จะเป็นวันวิสาขาบูชาก็ขอเชิญพี่น้องเราทุกคนมาร่วมเบียเยเบ่ยนเทียนกันร่วมเปลี่ยนเทียนกันมาอย่างสถ า, านที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ <c oughs> ของทุกคน ต่อไปก็ยิ่งจะเป็นอันิสงส์ใหญ่เป็นบุญใหญ่ปีหน้าหลวงพ่อก็จะพาฉลองจมพนตั้งลงทานใหญ่มีโอกาสมาช่วยกันวันนี้จะปรับพื้นช่วยกันปรับพื้นเพื่อที่จะวางผูกเหล็กมัดเหล็กได้เทขานเทเสาเทขานเสร็จเทเสาเสร็จในช่างก็จะมาเรื่องโคงลังคาก็จะไม่ได้ลําบากช่างใหญ่ มีอาหารทำมจากก็ใกล้จะมงเสร็จแล้ว่งใหญ่สวยงามลมรื่นลมเย็นฝนฟ้าตกก็ไม่มีปัญหาแดดออกร้อนๆก็เย็ดต่อไปในวันข้างหน้าลูกหลานมากใครมาก็จะได้พักปักกดกันสะดวกสบายมีความสุขกันทุกคนดูดีๆนะพระเรายิ่งพระบวชใหม่ทั้งใหม่ทั้งเก่านั่นแหละต้องเป็นผู้ใหม่ตลอดเป็นผู้ตื่นตลอดไม่ใช่ว่ายิ่งเก่าเท่าไหร่อัตรามันยิ่งใหญ่อย่างนั้นใช้การไม่ได้ ยิ่งเก่าเท่าไหรต้องเป็นผู้ใหม่ผู้ให้ผู้เอาออกผู้ไม่ยึดไม่ติดผู้คลายอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นบุญช่วยกันทำอย่างประโยชน์ของสมมุติให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ให้มกักใหมได้มีท่านผู้ใจบุญได้ทำลงทานไว้หล่อทุกคนอย่าไปปล่อยให้หิว หรือว่าญาติโยมท่านใดอยากจะมาร่วมทางลงทานก็มานะหลวงพ่อก็ให้งบไปล้านหนึ่งล้านกว่าสำหรับทําลงทานไปเรื่อยๆเี <c> ่ <oughs> <c oughs> จะมาตั้งลงทานก็มาเดี๋ยวนี้กำลังทำทลาลงทานอยู่ส่วนเรื่องบ้านน้อยนั่นก็คงจะไปเรื่อยๆทางช่างทาเสร็จก็จะเอามาส่งให้เต็มลานธรรมจักร จะได้มีที่พักที่อาศัยส่วนเรื่องการช่วยเหลืออนุเคราะห์ญาติโยมที่ไววชนก็มาช่วยได้ตลอดที่ได้อนุเคราะห์ไปนั้นก็ประมาณแปดสบิบห้าศพเพอแพบเดียวยังไม่ถึงปีช่วยอนุเคราะห์ให้ทั้งโรงทั้งทุนทรัพย์ปัจจัยไปช่วยเหลือศพละหาพันบาท มีโอกาสเราก็ได้ช่วยกันทุกอย่างตั้งแต่เกิดดนยันตายนเนี่ยทำที่อยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่กราบไหว้สักการะ บ, บูชาช่วยกันทำให้หมดอยากมาไหว้พระมีที่ไหว้พระก็มีสะดวกสบาย ที่อยู่ที่รับประทานข้าวปลาอาหารก็ยังทํำลงทานขึ้นมาให้กับทุกคนได้สะดวกสบายที่ตายก็มีเมฆให้เผาด้วยแถมแจกลงแดกแจกทุงน้ัพย์อีกด้วยถึงเวลาก็มารับเอาอันนี้เป็นลาบลอยเป็นบุญลอยถึงเวลาก็มารับเอาให้คนมารับเอามารับเอาไม่ได้ที่ ม, มาแจ้งแล้วก็มารับเอาเดี๋ใครจะจองไว้ก่อนก็ไม่เป็นไร ช่วยกันงานนี้ท่านเจ้าคุณต้องสารโตเห็นว่าสั่งเครื่องทำไอติมมามาไว้ทําแจกเด็กอยู่มาถึงยังเน่เครื่องไอติมใหญ่เครื่องทำไอติมใหญ่เด็กเยอะมาทำไอติมลงทานใส่กับลงทานของโรงพ่อว่างั้นหลวงพ่อทํโลงทานผมจะทำเครื่องไอติมมาตั้งโอ้กลัวเสียเปียก อันนี้สงแห่งบนก็หลังไหลมาหลังไหลมาทุกอย่าง <c oughs> ได้รถเบนขันช่วยบลมหลวงพออ่อบูชานอนไม่รับดีใ <c> จ <oughs> <c oughs> ส่วนวันวิสาขาบูชานั่นก็คงจะได้ถ่ายชีวิตโคอีก2แม่ลูกสองคอู่มีท่านโพจบุญด้มาจะได้ถ่ายชีวิต โควแม่ลูกสองคู่ว <c oughs> ันที่ยสมีโอกาสก็ามาร่วมกันมาเวียนเทียนมาเอาไว้พระสวดมนต์เวียนเทียนแต่กิเลสองละเอาละความโลภละความโกรธลึกลงไปก็คลายใจออกจากขันหารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในโลกธรรมทำความเข้าใจกับดวงจิตวิญญาณของเราทำความเข้าใจกับทาววทั้งหกของเราไม่ใช่ไปปล่อยปะละเลย ต้องเป็นบุคคลที่ขยันมันเพียรมันวิเคราะห์มันสํารวจมันละมันขัดเกลจนไม่ให้เหลืออะไรจากใจของเรานั่นแหละจนเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละคือความเต็มความอิ่มเราต้องสร้างบา ร, รมีของเราให้เต็มสร้างให้กันไม่ได้เราต้องสร้างเอาแต่การทําบุญให้ทานพวกเรามีโอกาสได้ทําร่วมกันออนนนท์บั่งอันนี้บั่งหลวงพ่อกระพาาัดทำบุญสมมุติหลวงพ่อกระพาดทำ ที่พอทาทุกวันนี้แหละบุญสมมุติก็ทําแต่การลักิเลสก็ต้องขัดเก่ายออก <c oughs> ปีหน้าก็จะได้ฉลองสมโพธิอยากยมทันได้ปรารถนาที่จะนําธงทิวรงชาติธงสามามาร่วมกันหลวงพ่อก็จะได้พากลางให้ทั่วป่าเต็มป่าไปหมดจากปางประสูติข้างหน้าเข้ามาในป่าวิหารต่างๆวางธงทิวให้เหมือนกับไอทหารที่ประสูติ สถานที่ตัดสรู้สหารที่ปรินิพานอยู่ที่อินเดียเนปาลทงทิวสวยงามสะบัดทงใหญ่ก็คุณหมอก็ท่านก็หลับเมาไปหมดแล้วทงเล็กทงไต่ลงคนน้นก็มาช่วยกันคนนี้ก็มาช่วยกันจนล้นจนเหลือได้วางราักฐานได้ให้งบให้ทุนตั้งลงทานอีกไว้ตั้งลงทานอีก เป็นล้านโกบัด <c oughs> อย่างเรือตั้งแต่ซาลาลงทานนะทีนี่ก็อนนี้สงบุญของหยาดโยมนั่นเนี่มาร่วมกันมาร่วมกันมาช่วยกันส่วนทางไอ้เจ้าปนเกิตรสงเคราะห์หยาดโยมนั่นก็มีกองทุนอยู่5ล้านกว่าบาท <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบ่งให้ทางโรงเรียนเกตนครไปสองล้านช่วยเหลือทางโรงเรียนก็เลยเรือจอุดสามล้าน ก็อำนาจแห่งบุญของหยาดยมมาช่วยกันมาหล่อห ล, อ, ลอมคนนนุนบางคนนี้บ้างหลงพ่อก็จะเป็นแค่เพียงทางผ่านผาธรรมไม่เอาไม่เอาไม่ทรัพย์ภายในของเรามีเต็มหมดแล้วแต่บริหารให้เป็นบุญ <c oughs> จะเอาแล้วมันเป็นทุกข์ไม่เอาไม่ให้มีในใจของเราหยาดยมท่านใดมีเวลาว่างก็พากันมามาวางรากทานของโรงทานกัน ฆราวาสญาติโยมที่อยู่ในวัดก็ช่วยกันอย่าไปเจลียดขาด้านใครมีกําลังก็ช่วยกันอืมีกําลังกายเอากายมาช่วยกายช่วยไม่ได้ก็ใจน้อมมาอนุมโมทนาสาธุอย่าไปงอมืองอเท้า <c oughs> อย่างประโยชน์สมัยก่อนที่หลวงพ่อเข้ามาใหม่ๆถนนหนทางก็เป็นทะเลเนั้นหัวควายนี่ก็มายากลําบากกว่าจะได้ให้พวกท่านได้ S <S <S เออได้อยู่ได้เที่ยวได้สะดวกสบายนี่ก็ลำบากเอาดินเอาอะไรไปถมไปอะไรไปขนดินคนอะไรถมอยู่คนเดียวดึกดึกดึ๋งดึไม่ใช่ว่าอยู่แค่วันหนึ่งวันเดียวเป็นสี่ห้าหกเดือนนะทำอยู่บางทีตสี่ตีห้าก็ไปเขี่ยดินอยู่คนเดียว เข้ามาในป่าเนี่ทั้งรกทั้งไม่เป็นระเบียบก็จะมาจัดระบบระเบียบได้ทําความสะอาดได้ก็จะปลูกต้นไม้ได้แต่ละต้นเนี่ต้องขุดรากเพกออ ก, ก, อกเสกดหนักหยาเพกหยาค่าทั้งกองกระดูกก็เต็มเกลื่อนไปหมดที่พวกท่านเห็นความสวยควมงามก็ใช้ความเพียรที่ต่อเนื่องใช้การอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความข ย, ยันมันเพียรเน่ยแต่กระทั่งซาลา ท, ที่พวกท่านนั่งอยู่นี้ ขนดินอยู่คนเดียวไม่รู้เป็นเดือนชองเดือนอันนี้เพียงแกป้ปลายเหตุหเฉยกิเลสภายในก็ขัดเก่าละกิเลสละความกลัวไปอยู่ตามหลุมศพละความอยากอดอาหารดูใจมีสารพัดอยากไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้าอ่ะเข้ามาถวายได้เลยเข้ามาถวายได้เลยอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันนี้สงเป็นผลแล้วใครเข้ามาก็มีความสุข <c oughs> ยังจะ่ากันเกลดครานประมาทอยู่ก็ใช้กันไม่ได้ให้ขยันมันเพียรมีความรับผิดชอบมีอะไรก็ช่วยกันอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขให้ดีพวกเราจากไปคนรลุนหลังก็จะได้สานต่อไม่ต้องลำบากเรีอยวว่าจะทำลายก็ไม่รู้นะ ความเป็นสิริมงคลก็น้อมนำมาหมดแล้วพระบรมสารีกระฐานก็ได้อัญเชิญมาพระพุทธรุปยกใหญ่ก็มีท่านผู้ใจบุญได้ทำไวให้หมดตีพักที่อาศัยต้นไม้ก็ให้ลมความลมรลื่นหมดปีนี้ซื้อต้นไม้มาเยอะหมดไปร่วมล้านกว่าต้นไม้ที่มาลงปลูก <c oughs> ก็คงจะลงเกือบจะถึงชองอะไรมั่งครึอจะเต็มปัก <c oughs> ไม่หอมไม้สาระไม่กันเก่าตุนใส่ทําเอาไว้ก็ทําเอาไว้ให้กับทุกคนใครเข้ามาแล้วก็มีความสุขความลมรื่นลมเย็นช่วยกันดูเลยก็จะทําให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ได้ก็อาศัยความเพียรของทุกคนหล่อล้อมร่ว ม, มกันจะดําเนินไปจะพาะองค์หรือพ่อองค์อองเดียวก็ยากลําบากก็ต้องอาศัยหมูนะ่คณะบริวารช่วยกัน นักเอาเบาสู้อะไรผิดพลาดก็รีบแก้ไขช่วยกันเดินให้ถึงจุดหมายทั้งภายในอกก็ทําให้นาฬอยาแก่ได้ป่าไม่ปลูกป่ามันก็ไม่ได้ส่วนมากก็มีตั้งแต่ภาคกันทำลายอยากแก่ได้ความร่มรื่นอยากแก่ได้ธรรมชาติก็ปลูกอยากแก่ได้ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจก็ตรงละกิเลส คลายความหลงละกิเลสดับความเกิดไม่อยากจะเกิดก็ต้องดับความเกิดให้มันหมดจดุดถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้ให้มันได้ทั้งซับภายนอกซับภายในให้เต็มเปรียบวันนี้ต้นไม้ไม่ได้มาเรืออาจจะมาสายก็ยังไม่ดูนะถ้าต้นไม้ไม่มามาช่วยกันปรับนาดินหลง วางเหล็กเอาเอาเหล็กอ้ช่วยกันพระเราช่วยกันดึงเหล็กสองหุนอยู่ที่ศาลารวมยติมาทางศาลาหลวงบุญหน่อยดิยช่วยกันเหล็กสองหุนมัดใหญ่อยู่ที่นั่นสองมัดช่วยกันดึงออกมาจะได้มาวางมัดวางหลักฐาน <c oughs> อาจจะได้เทก่อนมันวิสาขะก็ได้อาจจะได้เทพื้นก่อนมันวิสาขะจะได้มีที่ลงลงปลง่ปงๆช่วยกันหลายคนหลายท่านญาติโยมก็ช่วยกันพระเราชีเราก็ช่วยกันจากหนักก็เป็นเบาจะได้ตั้งโลงฐานให้ตั้งหลงฐานให้กับทุกคนนี่ผู้ใจบุญได้ทำให้ก็ดีหาคนทำให้ก็ยากพวกเราช่วยกัน <c oughs> นั่นไม่มีก็ต้มข้าวต้มทิ้งเอาไว้ท <c oughs> ีละหม้อสองหม้อนะมันก็ประทังความหิวได้ <c oughs> ใครไปใครมาก็จะได้รับประทานข้าวปลาอาหารกัด <c oughs> ้าไม่มีหลงทานรู้สึกว่าไม่อิ่มทําอะไรก็ไม่อิ่มอยากให้มีความอิ่มความเต็ม หลงทานก็จะไม่ได้ตั้งลำบักเวลาฝนตกฝนลงก็จะได้ไม่ได้อยู่ตามถนนหนทางใครอยากจะมาตั้งก็มาใครอยากจะมาทำก็มาทำให้เต็มที่ขณะที่ยังมีกำลังถ้าไม่พร้อมก็กายของเราเข้ามาช่วยกันเทวดาร้อนอดไม่ได้ต้องรีบมาช่วย ไม่ต้องไปอ่อนวอนนอ่อนวอนไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเข้ามาใกล้ๆฝากันอย่าไปอยู่ไกลฝากันมาจากไหนกันหอ ม, มาจากไหนนะแต่ะละอุบรีมาใกลกันจังนี่เด็กคนอุดมสมบูรณ์มาถึงเมื่อไหร่มาถึงเช้าหรือมาถึงเมื่อคืนมาวานมาค้างที่วัดเลยอ๋อ อ, อ๋ อ, อมาเมื่อวานเนี่ยมาเมื่อวานเนี้ยคนใจบุญชนทานมาตังไกลคนตกก็มามาหาธรรมมาหาธรรมมาหากับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็เลี้ยงไอ้ติ่มเท่านั้นแหละธรรมก็ยินทีใจเรา่านั้นแหละในได้อยู่ที่ไหนลกอืมคนนู้นก็มาช่วยคนนี้ก็มาช่วยอ่นี่ไง อะไรนายสำรานนางอุบลบริจาคเข้าโครงการลงศพห0 0รยบาทเอาคนนนคนนี้ก็มาช่วยกันที่นั้นทีน่นี้อันนั้นอันนี้หลวงพ่อก็จะฝากเอาไว้ให้ออาตามสบายนะอาตามสบายเอาล้อเลื่อนมาเอาล้อเลื่อนมาเอาล้อเลื่อนมา คนนู้นก็มาช่วยกันนั้นบ้างคนนี้ก็มาช่วยกันนั้นนั้นบ้างเราก็จะประกอบให้เป็นประโยชน์คนบางคนก็มีความพร้อมบางคนก็ไม่มีความพร้อมอ้าวตั้งใจรับอดกันน ะ, ะเจริญทับอยัดยมทุกคนทุกทันขอให้หยัดยอมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปหลยหมวกของเรา หยุดความนึกคิดปุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราววางภาระหน้าที่การงานทางสมมุติเราก็วางมาแล้วแต่การจเจริญสติที่ต่อเนื่องการทำความเข้าใจน้อมดูรูกายของเรารูล่วหายใจของเราไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่อยากจะเอาแต่บุญอยากจะได้บุญอยากจะได้ทำแต่การสร้างความรู้ตัวเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกก็ไม่ค่อยสนใจกันรู้ให้ต่อเนื่อง ก็เลยปัญญาของโลกียะก็เลยปิดบังดวงใจเอาไว้เสียการเกิดของใจใจของเรายังเกิดอยู่ใจของเรายังหลงความคิดหลงคันธาอยู่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็ว่าเราไม่หลงถ้าเราแยกไม่ได้เราก็ไม่เห็นความเป็นจริงเราต้องสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้ได้เชีย ก, ก่อนความรู้สึกพังเผยเราก็เริ่มขึ้นใหม่เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการวิเคราะห์ หายใจอย่างไรถึงจะรู้เท่าทันหายใจอย่างไรถึงจะเป็นธรรมชาติที่สุดหายใจอยาบายใจละเอียดหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาววางภาละหน้าที่ทางสมมุติต่างๆเอาไว้แล้วก็หมั่นสนใจหมั่นวิเคราะห์จนรู้เท่าทันการเกิดของใจรู้ลักษณะของใจใจที่ปกติถ้าใจยังไม่แยกไม่คลายนี้ถ้าเขาสงบก็เพียงแค่ความปกติก็เปรียบเสมือนกับขันที่ยังพอมอยู่ ถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นเวลาความคิดแสรกเข้ามาความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิด ม, มีกันทุกคนนั่นแหละบางทีอยู่เฉยๆความคิดมันก็ผุดขึ้นมาขณะความคิดผุดขึ้นมาถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเราก็จะเห็นเห็นการเกิดการดับเห็นการก่อตัวของความคิดตัวใจของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมอกีกถ้าเห็นขณะที่ใจเคลื่อนเข้าไปรวมใจของเราจะดีดออกจากความคิดทันทีเกาเรียกว่าพริก หงายแยกรูปเแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นนี่แหละความรู้แจ้งเห็นจริงจะเห็นอยู่ตรงนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเพียงแค่เริ่มต้นถ้าใจของเราแยกออกพิกออกหงาย อ, อกใจก็จะว่างกายก็จะเปล่าความรู้ตัวหรือวสติของเราก็จะตามดูการเกิดการดับของความคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกว่าเห็นกองสังขาร หลบรู้ในกองสังขานทุกเรื่องที่เขาเกิดใจของเราก็ว่างรับรู้มันเรื่องอะไรที่เกิดเราก็จะเข้าใจในคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าเข้าใจที่ท่านสอนเรื่องชี้แนะลงไปว่าอัตตากับอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในขันหาของเราการละกิเลสของเราอีกเราต้องมาละกิเลส ท, ที่ติดตัวใจของเรามาดับกิเลสความจริงมีอยู่สัจธรรมมีอยู่เว้นแต่ว่าพวกเราจะดําเนินขยันหมั่นเพียร ขัดเก่าเอาออกจากใจของเราหรือไม่ส่วนมากก็มีนั่นก็สแสวงหามาทับผมลงใจตัวเองเทียงแค่การเกิดของใจนั้นเขาก็หลงแล้วหลงเกิดถ้าไม่หลงเขาไม่เกิดหลงเกิดแล้วพอตัวใจนั้นเกิดเกิดยังไม่พอไปหลงความคิดในกายเนื้อของเราอีกในขันห่าของเราอีกหลงกายเนื้อก็ยังไม่พอไปหลงโลกอีกหลงสมมุติอีก รอบไม่รอบรู้ในกองสังขารไปหลงในรูปในรถในกลิ่นในเสียงอีกกิเลสยากพิเลสละเอียดอีกถ้าเป็นไม่เป็นบุคคลที่ขยันมันเพี้ยนวิเคราะห์ขัดเกลีหาความเป็นจริงในชีวิตจริงจิงก็ยากที่จะเข้าถึงตรงนี้ก็ยังวิ่งเลาะอยู่เฉพาะการสร้างบุญสรางกุศลอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีเป็นจะเบียงเป็นเครื่องเดินทางของพวกเราก็ต้องพยา ย, ยามอย่าไปทิ้งบุญทําความเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจแล้วเราละหมดนั่นแหละทั้งบุญทั้งบาปเราละหมดนั่นแหละแต่สร้างบุญเพื่อให้เกิดประโยชน์ยังให้เกิดประโยชน์กับสมมติก็ต้องพยายามการเพียงแค่เรื่องการเจริญสติก็ยังไม่เข้าใจก็เราต้องพยายามทาความเข้าใจแล้วสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปนึกเอาไปคิดเอาเราต้องพยายามทั้งผาทั้งยมทั้งชีอสร้างความรู้สกรับรู้การให้ใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะทําใจให้โล่งสมองให้โปร่ง อยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนาะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันอ่าพากันไหว้พระพร้อมๆกันค่อยไป ส, สร้างชาตต่อทำความเข้าใจให้ได้ทุกอริยบท